ตโตอว่าพระเจ้าพระขอออยู่หร่มูโตพวกขงจากับพวกผู้ชาศาสนะมันเหนือโลกบ่ไอผู้าพิดมันสกเรี่ยของผู้ชําผิดน่ะผู้ดีมัน็มียืนดิหร่ว่าชํางพิสตมวัดบ่ในประเทศไทยขนาดราชกานี่กันผู้ดีก็ยังมียูนี่เย็พิตัดว่ามีคนดีซื้อโลกโลกที่ตั้งมาได้บ่ตาอกของหวงมุตโต้อืนี่คนวมันโลกที่ตั้งมาได้บ่มีคนดีแท่งือิตี้ยพมัน ค้มเห็นหมูตรสันโพดเข้าว่าพ่อคมเห็นประซาส้นสันปวดเข้าว่าผู้บดได้อบรมพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเอาเป็นประมาณไหมบอกในโลกเนี่ยห้คนทั้งชิ้นทั้งช่ำมาเป็นหมูคุณหนึง่งก็เป็นเครื่องอุอนุ่นตัวมีแต่จะโจรจะามามังโดสันที่ทานด้กินขาวว่าคากันน่องเรียกตายวัดเนียนั่งแล้วอาลูกูอจะได้ลููเลย ะนามโโตนะถ้ากันยุ่งเหยิงเยอื่อเมื่อนี่กัพอพบ่กันบ่ม่องหัวใจมงม่อหัวใจจะฟ้องนั่นแหละเออว่าบ่มองหัวใจจะฟ้องเออแล้วกับกระเป๋าหลังมันมีอยู่เพราะมันเิบพถือกันเนี่ยเรียกเพ่นเชียงลีปัญญ์บัดจีคูปหนูไปยืดออกมาไวปัญญ์หนูแม่แม่นบอกเผนว่าเียงเงียหน่อยเห็นสวนาว่านะงดอด เนี่ยม้านาเขาเขาเราว่าหายันดีเจ้าม้านาใหญ่เขาได้อะพูดได้ยินยิ้มใสผพู้ยิ่งเลยฮเพื่นยิ้มใสู่้ยิ่งมู้โตทะเลาะันนี้สมือเนี่ยทะเลาะอย่างง่วงมันฝ่ามันบ่มีสินไม่ถ้าไม่ทางไนแ่ะมันเอาตะกนวยมาวาใส่กันข้างนอกเลยบัท่าพักของผู้ใดพักของผู้ใด สิมุม่งแก้เชียงม า, า, าทั้งหลังมนเอาจ้าควบดีมาบอกใสกันเพาะอะไรโ อ, อรกาสกับบุบบั่มบวมรววมก็ม่นบรนะครับเอาเจ้าควบดีมาบอกใส่กันอันเกีตนาอันผู้นีเป็นทังสี่ผูผ้นี้เป็นังสี่อออว่าออกออกมาบอกได้เพื่นเชียงด้วยทั้หลังกระเป๋าหลังไม่อยู่กันหรอกกระเป๋าใจันมากหน่อเอาจ้ควมดีมาบอกกันอันกฎหมายมันทำแน่นแล้วอันกฎหมของคนที่หลักฮับเนี่ยมันมีว่าหลัเนี่ยนั่น ยึดตำแ่จิบพัฒนเจดีบุการพัฒนัฒน์ีนอมนันูกผู้ว่าให้ว่าให้ผู้ว่าผู้กองฉันคนลูกศิษย์พระได้ก็สิว่าได้ไอนคนข้างเซนนี่ว่าอย่างฮาวานี่อ๋อจะจะจะมา จาตอนเยนาดี๋ยวมาไ่ายรูปรู่มาไม่มาไ่มาไม่มาไม่มาไม่มา่มาไมาไม่มาไม่มาไาไาไม่ไม่าไม่มามไไา่ไไาา่่่าาม่า ต้อเลยต้างหลูกมาเลยนี่เราต้เองอมาเวยระดับึงหแต่ว่าเป็นมารจัดตึกรึดันไ่เราก็เลยก็งอาก็ไ่ว่าไหนาไปาจะให้แปลกพอจ้ะเขาจะแปลหอีกบวนอะรอย่างี้ก็ตอมาแล้วตอมาแล้วตอกมาแล้วแค่ตอเสมากเอ้ยเฉยมาก็ตอกอีก็ตอมากเขาไวจะัดปลาจะกมากบวบมันจหากระด เออเพราะว่าเช่ไ uh, ม้ที่เรเปียนเาอาจารย์หมอเรากดงไปนะให้เพื่อนอ้างหน่อยบ่อาจารย์นี้มันเนื่อมกครับเพื่อนอ้างหน่อยบอาจารย์เราก็ะโานไลนครับเพื่อน้าน่อยบ่ตั้งแเรียนนี้ครับ้มแต่ว่าที่เราตัวว่างนะคัอาจารย์กินยาอ่ะไปได้แต่โมงย่อมทางอ่ะขึ้นเกาแบบที่ใครขึ้นหมอเขาบ ถ้าเนี่ยผู้ตัวเลันมาให้สเอง้ติดต่อขึ้นให้องตัวไม้ห้องอ่อนห้องต่ออะไรเอ้ห้องข้ามมาได้ไหมต่ออะไรเอ้นี่เป็นจุดออกบาดแจงบาดชัวร์ฉันใส่ก็ทำในห้อง้ให้ลันเปงียบเป็นเงียบอะไรอย่ายใจขลาดจะมีโอกาสได้ร้องหัวรอนแต่ไ่ผู้ตลันติ้เหรอตัวไม้ห้องสามห้องต่อไป้มัวร์ชัวร์ชัวรไปแจงบาดรวเนีย ก็พอพรทําพ่ออยอ่าเงอ้รไิป่าไปรวมเนี่ยอ่ง้ยพระบ่นะไรกพาทไแตรตกูรกว่า้วก็แบบที่ตนี้ก็ตามท้องพอให้เีขาเอาะวงก็ตตามมาเงพอให้ี้ยาทหอยาอย่างเงี มองข้างหลงเดวอข้าเดียมอง่นไเาเด็กเดกดต่า้เดดต่เขได้ก็ตม้เ่ข้เด่าไ่ไแต่าได้เด็กก็ต้เด็กก็เ็กแากกเาก็ก็เาก็้า่ข่กก็ เดี๋ยวเราปรุงมแล้วอขอห้แนให้มเี่ราเต้อนเข้ทนี่ยงนตอนนี้เี่ต้องฝากอะไรให้ฝากันนเดียบกันัานี่ตัวสานแล้วขานี่พอเราเอาขาวให้แล้มันตัวแกไว้ผู้หิงแต่งน้องแต่ง้งแล้วข้าวมันตีแกเยอะแย่อ เคงบอไปอธิการอให่ครับจเป็นแบบว่าตรงที่หลังหลอต่อทอหลอาม่าไปีแล้วีที่แล้วเนี่บาครับตอนี้ผมก็โปรดนใจเรื่องนี้มกเป็มึงก็เลยซอมกันมันก็เปรื่ององแหอยาเ้อพื่อตาก่อนโอือว่าง่ายกหลายก เราเดเพิ่มไได้หาให้ครับไอเรื่องเข้ามีเข้าไปบอกตอนนี้เนี่ยไปขึ้นยี่สายพยาบาลเนี่เตาอมีรายไปต้อมีถึงขันนาเป็นยังไันอย่างเงี้ยมาหรอกยังขับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปจัดจเอาถึต้นเลยคไปจัดเส็จเลนาที่เขาเ้าแล้วเขาอยมันพกาังน ตื่นแมาสายพมผมอหกัเด้อ่าเทียวเขา่เที่ยวเานเลยขึ้นไป้นคลีว่าจะไงดไม่้รอกครับามันเลี่นเนี่ยตัว่ผม่าโทรมาครับ เราที่านามงาล้นี่ยคือเราอุปถัุปภอะเนมติเขาตอยู่ดนายนักอังาเยล้นะสนับเียงองค์เป็นแบบเอสาตถะา้าทั้งโภนี่เนื่องสาวของรเอสาเจ้าอาหุนโยปาวุนโยทันโยอัญจเกันนิโยอนตรังคุญเตังโลกัสติ เป็นอาบนของโลกเป็ น, ปนพวกว่ายผู้ว่าไม่ต้องกระดาษเป็นเขตบุญของโลกอนุตรังคุญเขตตังโล ก, กัสสาทีไม่ใช่เขตบาบของโลกเขามาถามหลวงปู่มั่นกันหลวงพ่อแก๊งตังอาชาวายันอายุแปดปีออายุประมาณสี่สิบปีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เขาไม่ใช่เพราะเวลานั่นยังหนุ่มอยู่ว่างไม่ เป็นหลวงหูหลวงตาเหมือนทุกวัน น, source, นี้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อมหาเนกายก็ทำอายุติอันไหนมันดีขอ <eties> ให้ท่านอาจารย์ตอบบ้างแล้วก็หลวงปู่ก็ตอบว่าเออนายดำนายแดงใครไปใส่ชื่อให้นายแดงทําผิดนายแดงก็ผิดนายดำทาผิดนายดำก็ผิดนายแดงทําถูกนายดำก็นายแดงก็ถูก ความถูกความผิดไม่อยู่ขึ้นกับชื่ อ, อ, อนิกายใดๆทั้งสิ้นพระบรมศาสดามาได้ยืนยันว่ามหานนกายและธรรมยุทเป็นสาวกของเราและก็ไม่ยืนยันว่าสายหลวงปู่มันสายอ น, นั่นสายอันนี้สายนักเรียนสายนักปฏิบัติเป็นสาวกของเราท่านยืนยันแต่ว่าสุพจปโน พระโสดา บ, บันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์นับเป็นคู่เป็นได้สี่คู่ดังที่ว่ามาแล้วนี่นี่แหละสาวกขององค์ท่านเอาสาวกขวรัวโตสาวกสังโกท่านยืนยันเท่านี้ไม่ได้ยินยันว่ามหานิกายทายี่ธรรมยศเป็นสาวกของท่านไม่ได้ยินยันว่าสายของปู่นั่นหลวงปู่นี่เป็นสาวกของท่านแล้วก็ตอบอย่างนี้เออพูดอย่างนี้ก็น่าฟังมากไม่ได้พูดเข้าข้างตัวไอ้พุ่งนี้ไปเยี่ยมผมนะ <c oughs> แล้วตอบเขา ใครจะเก่งกาดอำนาจสักเพียงไหนก็ตามต้องเก่งกาดอำนาจอาฐานสมโพธกฎหมายก็ตามก็ อ, อยู่ใต้อำนาจกรรมและผลของกรรมกรรมและผลของตําพระพุทธศาสนาะเอามาปอดไว้แล้ว นัดที่อื่นใน ด, ด, ดัดเดืนถมเถเป็นเมืองขึ้นของอุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเมื่อขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้ไม่พูดอีกก็จริงอีก <c oughs> <c oughs> เหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงเด่นโด่งดังอยู่ทุกยุคทุกสมัยของโลก ชาวโลกจะเบียดเบียนสักเท่าไรในทางตรงและทางอ้อมก็ตามก็กองทับน้าลายบ้วนขึ้นฟ้าคว้างปลาค้อใส่ต้นเสานักมวยเอกหลบไม่ทันคว่างไกลมันไม่ถึงคว่างไกลนักมวยเอกหลบไม่ทันกาปุนโตลมสู้ไม่ไหวสู้ลมไม่ไหวการจุกกระปก อาบน้ำร่างกายเราอาบน้ำจึงพอเข้าสู่สังคมได้จะปฏิเสธไม่ได้เมื่อปฏิเสธร่างกายอาบน้ำไม่ได้ก็ปฏิเสธใจไม่ได้ต้องเอาธรรมะเข้าฟอกมัน ลัทธิอื่นบัญญัติบาปบุญคนโทษไม่ถูกเหมือนลัทธิศาสนาพุทธสิ่งที่เป็นบาปบัญญัติก็เป็นบุญก็ไม่เอาเป็นประมาณไม่ได้พระพุทธศาสนาะเป็นของไม่ได้ข่มเหงถือก็จริงอยู่แต่ว่าใครถือศาสนาไหนใครถือศาสนาไหนใครละถือลัทธิอันใดผู้ใจสูงมองดูเพลเดียวรู้แล้วว่า กิดอยู่ในระดับใดนาเท่านี้พอแล้วน ะ, น, ะนี่ยังปันกันยุม่งมกินนะว่าท่านเพราะเราปีกตายเราเด้่ยหลงหนะลานเนอะเนี่ยเพราคุณหมอแต่งให้พันดีๆเนี่ยนะออ คนหมอไม่งปริญญาเอกเลยฮะเข้าข่าวหาคนหมอเข้าข่าหาเหมนลูกมันเต่าเข้ามันจังจบ่ายเขายาจับหัวเขาก็จับหัวไปยับหัวเขาก็จับเขาวากาจับแต่หัวใหญ่ไงเพื่อนเลยอยากมาแสดงกับพี่ในหารขึ้นซุมหนี่พ่อแสดงกับพี่ในหารดอกสุ่มหนีร่างสมองได้แล่อเไรแบบนี้ ว่บบาหนใหญ่เพิ่นถ้าบอกกะเข้าใจยัว่าไหนใหญ่เพิ่นแต่วันนี้ใจสุภาพจะได้หรอเพิ่นว่าไหนใหญ่เพิ่นใจสุภาพจะแด้เขาอยา่ามีเงิ่อนเต็มท่านฟ้าเป็นดิน จะไปเอาให้พวกทหารตำรวจก็เอาให้พวกคนหมอพวกทํางานดูต่างจังหวัดนี่ืนอนอ่ดินกินหญ้คาค้อมสกปรกกระยู่ไปกยองแล้วก็พวกคุณหมอเนี่สยสารพัดเด่นฉี่เด่นเนี้ยเขาขบปั๊หาเงินเดือนหลายมันจังไรสังคันว่าห้เงินเดือนหลายมันไม่ได้ละพวกขาเจ้า รงพยาบาลเอกชเข้าเจ้าให้เงินเดือนหลายแข่งกับรัฐบาลมันก็โปดไปเแค่งานคนเมืตายเล้วระบานเนี่ยเข้าหัวจวัดอัมณีเขาวงหัวอัมณีทีมันทิพนทุกได้ยังไงถ้าเบิงแคบเดียวท่านเอาเบิ้งโลกมันไปแถวไหนถาเบิ้งแทบเดียวเท่านั้นผู้หวงพ้นทุกน่ว่าตต้องสารเป็นยังัน่คยมหักโลคัมรัวใจโลกมันชืเบื่อนายบ่สร like mm ้างว่ <maintenant S 3> <Okay. S 1> <Okay. S 2> ใจสังขารสภาพอันแต่งกายลมหายใจเข้าออกเป็นสภาพอันแต่งกายวัจีสังขารสภาพอันแต่งกิจวิตกกับวิการเป็นสภาพอันแต่งกิจคิตตาสังขารสภาพ วจีสังขารสภาพอันแต่งวาจาคือวิตกกับวิจารความนึกความตรึกเป็นวิจีสังขารเวทนาสัญญาสังขารเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกขเวขาสัญญาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำรสจำโสดะพระจำธรรมารมสังขารความปรุงแต่งแห่งจิตให้ดีให้ชั่วอันนี้ลเป็นสภาพแต่งจิตทั้งว่าวิญญาณวิญญาณในทางพุทธศาสนาก็แปลว่าจิต คำว่ามนัตก็แปลว่าจิตคำว่ามะโนก็แปลว่าจิตคำ ว, ว่าจิตเป็นคำภาษาบาลีคำ ว, ว่าใจแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วถ้าใจมไม่มีกิเล การปฏิบัติใจก็ไม่มีถ้าสนิมถ้าเหล็กไม่มีสนิมการขัดเหล็กก็ไม่มีถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็กถ้าไม่มีใจก็ไม่มีกิเลสถ้าไม่มีพระอาทิตย์เมฆหมอกก็มาบังไม่ได้นะเมฆหมอกเป็นอาคันตุ ก, กะมาบังพระอาทิตย์ชั้นในกดก็ดีกิเลสโลคโกรธหลงมาไปเจ้าหัอยใจของใจ ถ้าเห็นโทษในโลภมันก็ต้องละโลภได้ถ้าเห็นโทษในโกรธมันก็เว้นโกรธได้ถ้าเห็นโทษในหลงมันก็เว้นหลงได้ถ้ามันเห็นโทษมันก็เรียกว่ามันอร่อยอยู่ออพอใช่พอสอยอยู่มันก็ละไม่ได้ถ้าเห็นโทษในอบายมุขมันก็ละอบายมุขได้ถ้ามันเห็นโทษมันก็ละไม่ได้ เราเห็นโทษนําลายไม่ควรอมไว้เราก็บ้วนทิ้งและไม่เสียดายจะอมอีกด้วยใครอยากนายพระโสดาบันก็เอาซะไม่เสียดายอยากล่วงเรือเมิดอเสี้ยห้าไม่เสียดายอยากกะถือศาตราอื่นไม่เสียดายอยา ก, กจองเรีนท่านผู้ใด โกรธสักเพียงไหนก็ไม่จองเวรอาฆาตจองเวรผูกใจเก็บไม่มีในพระโสดาบันถ้าเราเคยทำผิดเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วไปสักถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วไปสักท่านต้องนึกอย่างนี้พระโสดาวันแต่เราจะไม่แก้แค่นจะไม่แก้แค่น ไม่ได้มันท่านั่นกูจะเอามันท่านี่ไม่เอาไม่ได้มันท่านี่กูจะเอามันท่ามั่นกูให้มันเสียชื่อเสียงอิสรภาพไม่มีในพระสวราบันเหตุฉะนั้นจึงปิดอบายภูมิภูมิที่จะไปทางนรกสัตยรักษานเปิดอสุรกายปิดแล้วคือปิดที่ดวงใจปิดในความประพฤตินั่นเพียงศีลห้าเท่านั้นโลกสงบแล้ว ความละอายต่อบอาปความกลัวต่อบอาปเป็นปกครองโลก ทำเป็นโลกบาดคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลคได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลา้ากัวต่อบาปแล้วกฎไม้กดหมูกดพักกดทั่วก็ตั้งไม่อยู่อู่ของทําไม่นําคํานึง่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทาคนชั่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับนั่นถูกไหมผู้ที่ล่วงละเมิด เสี้ยนห้ามันก็ออกไปจากความไม่ลอายต่อบาบกลัวต่อบาบนั่นเองนั่นนั่นนั่นถ้าอย่านั่นจะปฏิเสธพระพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาไม่ได้แค่สุภาพนายนาหลวงปู่เพราะว่าบอกเป็นห่วงบอกน่นเพื่อนเป็นห่วงเลยเหรอคุณหมอเพื่อนบอกว่าคุณหมอเพื่อนบอกว่าเมื่อนหนึ่ง ใครว่าญาตุถถงลอยคว่ำเด้หอหลวงปู่จัดกระเมียนยุนเหลืวมานัก ป, ปฏิบัติบ่ได้พูดไขึ้นมาเพราะว่าหลวงปู่เว้ยรักษาตัวเด้เด้เอญยติสัวลายบ่ลายแล้วมามื้อสิบมือเศร้ามือหุ่นจะกรย์ยังให้ต <c oughs> ังไหนบัดไถสิรพายบัดซังรักษาตัวเด้เด้อหลวงปู่เว้ยเพราะว่าญาติรับขแกบขกหลายดเด้อแล้ว ได้ห้รับเสือว่าจังไหนกับมหาเห็นตัวมหาขันพ่ะมหาพระไปหาผีบอกเขาเพิ่นว่าท่นี่หลวปู่มหาหายหายนั่งหนึ่งมันมาตายไปหลังเอรี่วาฉันลวงาู่มหาพระไปหาผีบอกเขาสั่งเขาว่าหลวงปู่มหาสูเขาว่าอะไรเลเดี๋ยวน่าหนีทั้งหลังเละรัหัวอยู่ลปู่มหาบ่ว เจ้าคุณท้าไม่แก่ดีพันทายให้ลูกศิทธิกรรมฐานลูกสิธิกรรมฐานเนี่ยมันไม่พอดีครั่นถ้าคนมามากมันก็บอกว่ามามากถ้าคนมาน้อยมันก็บอกว่ามันระยากไระมิดมันไม่พอดีแต่ว่า พนังเข้ารอบภาษาเข้ารอบลูกศิษย์กรรมฐานนี่ได้ลูกศิษย์กรรมฐานนี่มันดีเมื่อลาศิษย์ขาไปแล้วไปไปเจอไปเจอกันที่ถนนมันก็ปรีกร๊กล่ามันก็นบเราลูกศิษย์นักเรียนมันไม่นบเลยมันไม่กราบเลยมิหนังซ้ามันขี่รถจะชนท่านพูอย่างนั้นขับรถจะชนท่าน๋ยวคุณทํามเจดีเอ้ามู จมพุ่ม่บอกว่าวิ่หันรอบสันบ่เขาว่าสั <c oughs> ่งเหอไเออคุณย่าเนี่ย ม, ม, มา ก, กานนมากครับลูกชายวยนันนี้เอเอม า, า, ากับลูกชาย <c oughs> เลยวว น, เนี่ยอ่อืมมากับลูกชายเออมากับลูกชาเรีองไว้ว่าสัเี่ยหองเรืว่อยู่ว่เรยว่าอยู่ตัวสั่งหน่นอยว่า เอาท่าน่ แ, แกงออกอกท่ น, งนแงก้งยว่สู้กันกิน่พ่อลอยไปก็ตายตอ ล, ลูกหลานเนี ย, ยังจังหวะลูกหลานนะท่นเขามองมึงหนีไม่พ้น ด, ด้จะแก่ทัวเขาจะค้นเขาอายุแก่กูโม่เนีย่ย เป็นของหน้าฟังนน่พระคมเหี้นกลางทางย่สสฟ้าเหยียบย่ำมัทาปกหยดดัวย่งสิ่ได้กายเกินเห็นวานอยยะโสคมหัวยิกม่แมาแนวป่าซิ้วเพรามียิกหัวได้จริงบอกภาษาภาษาอีสานมาเพรากินยาย่สสคมข้อหัก หมูบวกกินห่อมยาตุดตีดังแฮมันเวอ <c oughs> รก่งวัวผักอีสานคือสิ่งใดที่ชืฝืนใจแบบคบเหงเขามันบ่ได้บ้านมักบ่ได้บ้นขินใจป้องเขาใส่ใพนาเขาว่าโบราณผักอีสานโบราณของคอยด้วยกินตะกวีแต่งเรื่องกิงให้เคืองเพื่อให้ไพระในเชิงกาบ จินตะกั่วภาคอีสานนี่เก่งเป็นเมืองคืนของภาคอีสานวัดนะกินตะกวีวนี่แต่มันผิดแต่ซ้ำเนื่องกันเราซื้ อ, อรู้แล้วยะสดวตาอุาโลมันยักเป็นเปรโตเพดเน่าในหมอนั่นศาสตร์พระพุทธเจ้าเป็นการาเกต สินไส่พัดแดงเรื่องเ ด, ดินดงเดินปลาไพ่เลาะสนอโสดชาดตรพระพุทธเจ้าเป็นการเกตชินไสไลายมูนกมูหนูลายเหลืองแหล่ทั้งตัวดำดางล่างตัวดำดางล่างตัวยางแล ไปเต่าเหี้ยเอาไม่อะไรกันร่างตัวขันเสียงหน่อยว่อยว้ยเสียงใหญ่ร่างตัวจับตจดไม่ก่อไรใส่ปีกหางร่างตัวเข่าขันค้อนซ้อนครูร่างตัวอยูบ่อได้บินเจยเจิดล้มเจ้าเลยหลายตัวพร้อมทำฤทธิ์ที่ต่างๆบาอ่านนับอันใดหลายล้นอนเนกน่อ ง, องภาษาภาษาอีสานมูอโตไม่เคยได้ยินเนีมีท่ภาษาไทยเพิ่นแน่ ฮ่าฮ่เฮ่เพื่อนเอามาไดใสบพกตะกี้พวเคยได้ยินเน่รัการที่หกว่าได้ยินเด้ขันว่ารฮ่าฮให้เฮ่ขืนมันเป็นแต่ามาอรัตการที่หกว่าได้ยินภาษาไทยมันแตงขึ้นมาเรื่อยได้มฆษณาเซเลียนน้ำฮ่าฮให้เฮก็มีเสมอเนี่ยข้างปวานาไผได้ไม่รู้ สมมุติเกิดขึ้นมันปิยังจำสมมุตดลายแต่มันบาพ่อไส่ได้ทำเป็นมามันบาพ่อไส่ได้สมมุติขึ้นตะกี้จรวดเมื่อคืนอย่างนี้เออก็ใไส่ขึ้นมันปิยังมันมาพ่อใส่ก็เลยใส้ขึ้นตะกี้คนเท่าเป็นภาษาเดียวกันมืดมันไปเกิดด้วยคนละบอลก็เลยตามภาษากันขึ้นตั้งแผ่นดินไม้ก็กูสันโตโกนาคาร์โนกัตซโปโคตโม นี่แผ่นดินเนี่ยอริยเมตตาโยมาอีกมรอาริยเมตตาโยฝ่ยมาแผ่นดินมรตตั้มแผ่นดินขึ้นไม่เนี่ยมุตโตวสเชาดอกจากมุตโตวสเสืเอาละข้าเนี่ยโมกันทาโยไปดอกสองเทือดอกคนราจะไม่มากรักธรรมาจะไม่มากไตตะกาตถจะไม่มากเที่ยวอะไรก็ถาวก็ย้อนลงมาเป็นธาตุดินมากเน นี่เป็นธาตุดินนี่เป็นธาตุดินสิ่งที่ของแข็งเป็นธาตุดินสิ่งที่เป็นของพัดไปมาเป็นธาตุลมของอบอุ่นเป็นธาตุไปของซิมซาดเป็นธาตุน้ำก็มีแต่ในน้ำเป็นธาตุน้ำโยในใจราก็ธาตุเป็นเวทนาสัญญาป็นขันในญาติเนเ้นเป็นอรูปเป็นอรูปเพราะเวทนาสัญญาพันขันในญาติเพราะไม่เห็นด้วยตาเที่ยวแต่เห็นด้วยใจเรียวว่าอรูป คุณที่เห็นใบตาคือหน้าพโรจะทาเป็นพิธีไ้นๆมามันก็จะเห็นวบตาขนมมาจากไหนก็มาจาก่าดินก็เป็นเปื่องขงองแกนอาหารมีข้าวปนต้นก็มาจาก่าเดินรถอกขึ้นจากา่าเดินพเราผผลิตปันันนังนนองกระกย่อยในกระดกนังก่งหันใจตาฟังหูใจกอดเส ย, ยได้ร้อยอันใหม่อันเก่าที่มาจากธาเดิน เดี๋ยวเจอหนางเลือเดียมันก็น้ำตาเปมาังรายน้ำมูกเราคายามน้ำมูกมาจากข้าหน้าเรากนขึ้นบ้างๆเราพ่อลงบ้างตามลงในเท่างในใช่เราไม่ไปก่าตัวเราใจเข้าลงาไม่ด้ออกมาจากท่าลมไปที่ยังกายให้ปวนไปทียงกายให้จุดโตไปที่ยังกายให้ตัวสวายไปที่ฝ่าไม้ย้อยเรียกว่ามาจากท่าไปก็คือในน้ำพระลมจงกันเป็นกายเรียกว่าลูกความรู้สึกอารมณ์มากระทบเรียกว่าวิญญาณ ขั้นห้าเรียกว่านามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลงเข้าเป็นนามรูปก็คงเป็นรูปตามเดิมยลนลงมาเป็นสองสกุลราคาของเรามีรูปประธาอารูปประธารูปประธรรมอารูปประธรรมรูปประโรคอรูปประโรครูปประโรคคืออะไรก็คือธาตุในน้ำไปลง รูปประทมก็คืออะไรก็คือนนั่พลอมรูปประคันคืออะไรก็คือยืนนั่พลยมประชุมการกายเรยกว่ารูปรูปประทากก็คือย็นนงพลมวรวมกันเป็น ท, าปปทาน่าเป็นปัทเรทา่รายานาโปท่าเตโยทาไยยท่าท่าอันใดมีลักษณะแข็งแข็ ง, งนั่นเป็นปว่ัทท่า ทวีธานันที่เป็นภายในคือองค์ฝนในนนั้นเกระดยันสมัยวางคอนใจกับบางวยใจกว่าใหญ่ใจเล็กรางใหม่รัางเก่าถ้าอันใดมีลักษณะเป็ปาบถ้านั้นเป็นอาโปธาตุอาโปธาตุนั้นที่เป็นภายในคือดีเศน้องกเหนือยมันก้อนกัตาวไปมาดงานุ่มท้อใช้ก่อน้ํา่มอถ้าอันใดมีลักษณะทัดไปมาถ้านั้นเป็นวายโยธาวาโยธาตั้นที่เป็นภายใคือลมพัด้นเรื่องลมเผาลมเดอลมอวกนพัลมบิกต่ำลมในท้องวิญญาณหกรเรียก เวทนาหกกรณียกสัญญาหกกรณียกจํารูกจําเสียงจํากลิ่นจำสรสรสจำโผ่่ะจำจำอะไรเกี่ยวกัสัญญาสัญญาแล้วความจําจํารูปมากระทบในตาวา่าลูกอนนั้นอันนี้เป็นต้นสิ่ี น, นี้เกิดเรื่องกาแฟควรนี่แต่สลายเธอทั้งหลายผมพิจารณาตามทีมอื่นก็ประหลาดใจเลย เมื่อเธอทั้งหลายพิจาราตามไปจริงแล้วควาเธอทั้งหลายก็จะคลายออกหรือคลายออกเมื่อความหลงของเธอทั้งหลายคลายเบาบางลงบ้างแล้วทุกทั้งหลายของพวกเธอก็จะค่อยบันเทาลงพระบรมศาลาเธอทั้งหลายมีหน้าที่จะรู้ตามไปจริงด้วยมีหน้าที่จะปฏิบัติตามไปจริงด้วย จะพิจณาตามเป็นจริงด้วยมีหน้าที่จะผ่อนคลนความหลงของพวกเธอลงด้วยที่พวกเธอหลงวาเป็นจับเป็นุลือดคนตอนเราเขาเนี่ยพราะพวกเธอไม่พิจารณาแยกกายแต่มันเป็นสมมุติใช้คำเฉยๆหรอกว่ามันจริงสมมุติทั้งหลายม่นึ่งเลยใต้อานาจของความผสมของพวกเธอเนอะสมมุติเรามาให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายมันฝืนสมมุติรักความปผสมของพวกเธอใชแล้ว เมื่อมันฝืนสมมติณความผส ม, มของพวกเธอแล้วพวกเธอจะยืนยันว่าเราว่าเขาว่าสารรับอาตถุคนจนแจกไม่ได้คาดไม่ออกแล้วมันจะถูกไหมเธอจ <goof ing sound> งรู้จักวางจงรู้จักเขียนจงรู้จักลบคําสอนของมุทธศาสนานั้นเนสอนเนีเป็นคนโง่สอนเนีเป็นคนฉลาด อาความฉลาดเนื่ยความโง่ของตนแล้วความโง่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ความโง่ตั้งอยู่ที่บนหัวใจความฉลาดก็ตั้งอยู่บนหัวใจเหมือนกันนะรับกันอยู่ที่นี่ชนะเขานะที่นี่แพ้เขาแพ้ที่นี่ <c oughs> ถ้าพวกเธอฉลาดอารมณ์อันใดที่มันเป็นเวรเป็นไทยพวกเธอก็อย่าเอามาปฏิบัติสิท <c oughs> วรารมหาศาล <c oughs> พวกเธอโง่จะตาย สิงที่เป็นเวรเป็นภัยพวกเธอสร้างขึ้นเมื่อพวกเธอสร้างขึ้นแล้วถ้พวกเธอจะทิ้งให้ใครก็พวกเธอซีสเนีรับเอาเธอคืออะไรเธอคือเธอใจอเฉยใจอัตโนธุโธใจเป็นที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนทําเป็นที่พึ่งของธรรมมีความหมายอันเดียวกันธาตุเป็นที่พึ่งของธาตุก็มีความหมายอันเดียวกันเพราะบัญญัติได้หลายอย่างนานาธาตุย า, าต่างรูธาต่างๆพ ร, ราะปรัชนาธรร ธาตย่นลงเป็นสองที่เป็นรูปก็เรียกว่ารูปะธาตุที่เป็นนามก็เรียกว่านามะธาตุทำก็เหมือนกันย่นลงเป็นสองที่เป็นรูปก็รูปะธรรมที่เป็นนามก็นามธรรมโลกก็ย่นลงเป็นสองที่เป็นรูปก็เยว่ารูปะโรกที่เป็นนามก็เรียกว่านามะโลกขันก็ย่อมย่นลงเป็นสองที่ดินน้ำประหลงเรียกว่ารูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามขันสิ่งไหนที่มันหยักเป็นขันเสียงนั้นก็บัญญยัก เป็นโรคได้เหมือนกันทีนี้ขันยังมีอยู่อีกสีละขันหมวดศีลสมาธิขันหมวดสมาธิปัญญาขันหมวดปัญญาวิมุติขันหมวดวิมุตินิมุติญาณทักษะละขันหมวดในวมติญาณนะทักษะสารละห้าปารียกเพาะเป็นแก่สารเรียกว่าธรรมะขันห้าสีละขันหมวดศีลสมาธิขันหมวดสมาธิ ปัญญาขันหมวดปัญญามีมุติขันหมวดวุฒิพ้นจากสมมติอยากเป็นขันอันหนึ่งมิวติยาน ะ, านะ ค, ค, นครับศสนาขันเกิดความรูค้ความเห็นในความเพียรเพื่อจากกิเลสก็จัดเป็นขันอันหนึ่งสอนในพุทธศาสนาลึกซึ้งมากกว่าคําสอนใดๆในใจโลกธาตุคำสอนใดใดในใจโลกธาตุยามาเข้าเทียมคําสอนพระพุทธศาสนาเลยเดี๋ยวจะเป็นด่นอ่าน พองตัวขึ้นพองตัวขึ้นให้เท่าวัวเดี๋ยวทองแตกตายคาที่ <c oughs> ทั้งนี้ได้ไหมทั้งนี้ได้ไหมงานดาเคยได้เห็นไหมเคยได้อ่านไหมเคยได้อ่านอดิบหัวตัวหนึง่งมาเยียบขอบเอืออาตายเมัดนั่งลูกตัวเดียวแม่อ อ, อาประหากินมากลูกเข้าไปใส่เม็ดยังจะโตสับตัวหนึ่งใหญ่ งานมานันใหญ่หลวงตายหมดยังจะรุกตัวเดียวเนี่เอ้ยมันใหญ่เท่าทไรแล้ววะสิโอ้ยใหญ่ที่สุดเลยแต่เบ่งเข้าออกเท่านี้ได้ไหมเท่านี้แต่ไห ม, ไหมเบ่งออกไม่ได้ไม่ได้ใหญ่กว่านั้นอีกใหญ่กว่านี้นโคเบ่งไปเร่อยมาเขอาแตกตายค่าที่เปียกเั้นบุคคนผู้เบ่งหยางใชพระพุทธศาสนาเขาแตกถิด <c oughs> ว่าโตมีครอบรูกแล้วเขาพุทธศาสนาเบ่งหยางออกสายสายค่า พอเป็นยางออกเห็นบ al, อกปกทืองว่าวิบวันไม่หาตายกันแจกกระเจิงด้วยนั่นละพวกเวียงยางทัมประเทศนะเห็นบอกเขาเศษไอ้ฝั่งน้ได้รู้กันอันนี้มันเป็นทนัมประเทศนะวันพวกเวียงยางตอพระพุทธศาสนาเปรีย ต, ต, ตายขาที่สมเด็จพระวร น, นาซ่าวรร า, านี่เป็นยอดเป็นยอดอุบาสกอุบาสิกา เป็นมื่อขวาของระศาสนาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยฉะนั้นเรียว่าราชาโนราชาโนยุก่อนพระมห า, าพิทพระมห า, าพิทเป็นคําไทยยุก่อนราชามหาราชเป็นคํำภาษาบาลีสมเด็จพระบ ร, รมราชาธิราชเจ้าเป็นคําบาลีเลในหลวงนี่มาแต่งกันไหมหรอมาเอื่อญกันไหมหรอในหลวงมันเอื่อญสั่งท่นเรียกสั่ง ดวงศีสัตวันหพ ร, ระอโง่เจ้ารู้อะตางหมดพระถือศาสนาพุทธย่างเข็กขัดเป็นหนาเนี่ยศาสนาพุทธเท่ า, าสมเด็จพระบรมราชาก็สมเด็จพระรมราชีนี่เขาไปในว่งวงไหนก็ตามในไต้รักข้าศตรในมนุษย์โลกมี่อช่างราศีก็เพลนหเห็นบอกพระถือศาสนาพุทธเห็นบอกเห็นแห้งว่ามืโโอโตน้องเห็นแห้งได้เหร มันส่งเสร็จแต่ประเทศไม่ดีกาเขาใช่มากในระหว่างสิปีก่อนซึ่งโมเมนต์พระบรราชเจ้าของเขาเขาเขาหลบคนจะหนึ่งยูทหารท่านเชียวเขาเป็นเอกราชเขาถือว่าเขารลบโมเมนต์นี้เขาเขาหลบพระราชเจ้าของฮาวนาเดือใส่พระรมาชเจ้าของฮาโกยดอกหม่ตงมาใส่เขาทหารเขารน่ซึ่งโมเมนประเทศาตเขาเขาต้องมาเขารบใช่าเจวเขาจิตทนงตัว ประเทศอเมริกาเขาว่าเรีกตำนุงในอำนาจราชนะของที่เขาหลบเขาเขหลกนิ่งอยู่ไรจานจะตั๊บไปตั๊บกันตัอยู่นั่นเขาได้เห็นว่าอันนี้นะอำนาจราชนะราชนะุเลขันบมีเฟินมึงเาตายเร้าโกขันบรมีศาชนะเับเศ้าโลกตายเท่กันอ่ะันเศ้าประเทศสาห์ขันโบรมีเฟินแย่กัน เเป็นเอเห็นก้อนเนี่ยคนก็เออเป็นวาย้ืเ่งจก็ไมเห็นจก้อนเปนกาวาย่เนีันเพื่อนว่าออกก้อนเหยาะนะวายมีมีเ็ดไม่ข้มันเป็นอย่างนี้กระบวนการฉลองกันสั่งกะโดดปั๊บจัดตัวละงันบอกนะพวกผมก็กระปั้นเท่ากรปั้นสวนกันที่เห็นแต่ประโยชน์ี่ยังแม่นั่น อำนาจ ก, กองพระพธศาสานาห่ะมโตโเาห็นบอกนั่นนางเือซจะโหดพิษโหดปูนกระต า, บบายเดียวไซเห็นบอกอันโม่เฮ้านีย่างไปคือว่าเป็นตาเทวดาดีง <c oughs> <c oughs> งไมเหรอข้อสัเาหลว่าเฮ้ยคิดว่าได้หอกคิดว่าพรพุทธศาสนาตายจะเกิดตายจะเกิดมาเขาไม่เห็นไม่ได้นี่ถท้องมหาสมรรุทรลอยโพด่มหาสมุทรก็ตามเฮ้ยเมอนจะเข้ารองรับเืออยูย่ในไฟราะเข้าร อ, อ, องยาอือบอกข้สัตรวดว่า ปฏิบัติไปเหถะว่าได้พระนันทนาสันว่าก็สร้างหัวผู้ใดจะแบบว่ได้จะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมาก็ไ่เห็นไม่ใช่อมหาสมุทรตั้งลาลานมห <t all of sacrifices> you <host> าสมุทรุัวเท่าก็บเาระเจ้าระงสิวาังไง o ระเท่าลมลถึงปั้น่ะสิวาเหัวใดบอกปฏิบันไปกับปฏิบัติไปเห็เถะ่ได้ดอกพระันว่ากราหัวผู้ใดจะแบว่าได้ะตายแล้วอกได้กิดแล้วตายมากก็ไปเห็นไม่ใช่เอมหาสมุทรยุ่ยลอยโผล่มหาสมุทรุจะสร้างง ถ้านับถือเพากูดภาษาสารานวานไอผมใจเป็นู้นับถือเว้ยผมก็ได้อ่านฝ่าอากาศมานับถือเว้ผมใจเปพนูพ้ร เ, เ ร, าาารีองใสผมก็ได้นั ด, อ ย, ดยนอย่างนี้เรีองใส่ก็พูดภาษาผสมผมเห็นได้นัดอย่างนี้มัคือแบบพื่นเน้แม่นบอกแบบพื่นยังนักดัวนัดงั้นพวกที่เรีมยมใสอีเนาะตูพีไม่อยางสองให้แม่นบอ น, นั่คด้วใต้ดินเนี่ยผีมีเจตเค้าบอกมู้ก็เห็นเนี่ยอันใต้ดินน่นไปไปพบพบ พ, อ พ, อพอะระพุทธล่ย่งฝังในถ้ปฝังได้ก็กลัวสัปโทษหลายพันปีหลานั่นนับถือกันมาวันมือนีหมู่นนมว่านนี่ยพรกก็จะเจะออ้าองไ์ใดๆก็นับถือมาอยู่งสันนั่นทรับย์ใต้ดินชิ้แนะนำที่ฝังอยู่เรื่อยๆมันเป็นพยานเนี่ยเป็นพยานของาศาสานาพุทธอยู่ว่ า, า, านี่ศาสนาอื่นไม่พบอยางได้สันฟังธ์อยู่หันหมนององฉันว่า า เ, หเหาให้เทาคืนนไปเท่งพันเองเทาเมยเทานับตามตามนับลงับเจอแต่กอนสัญญาหันเท่าวันไหวังีย่างน้ำมูโตรอลูกหลานได้เท่าวังไหมูโตเดนเขาถึงบารมีพระาทรประสงสารละว่ากันว่า ข้าเดวงจตมจะตุนี่ยังตกต้นนี่ยังหให้มูตัวเขาถยงโมพทธก็ทั้งผสมสุธธทศาสนาสถาบันพระพุธธทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติให้มูตกโตัหักงเกียวโงปืนกันเป็นเสือกสามเกี้ยวมจบอกงั้นทังี่คู่สมทาันไม่มีคู่สมแนวอื่นหนอพอใจบอกไปเอว่างนันเอไปเลิ Yeah. <laughs>